เพราะเป็นเบื้องต้นของผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันถ้าหากว่าจะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันถ้าไม่มีสุตตามยะยานี้เป็นได้ไหมเป็นไม่ได้เพราะว่าพระโสดาบันผู้ที่ปฏ <aded> ิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันหนึ่งต้องครบสัจบุรุษเนี่ยนะในที่นี้หมายถึงครบใครพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสองฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าสามเอาคําสอนนั้นมาคิดมาไข่ครวนมาพิจารณาให้มากๆทีนี้การ พิจารณาคำสอนตัวที่พิจารนานี้เป็นอะไรเป็นโยนิโสหรือเป็นกุศลหรือเป็นปัญญาปัญญาที่พิจารณาคำสอนนี้เป็นบุญใช่ไหมเป็นเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมใช่คู่ควรกับความเป็นทระโ์ดาบันหรือยังการการพิจารณาอันนั้นเนี่ยพอไหมที่จะเป็นทัศดาบันบอกถ้ายังไม่พอนั่นแหละจำเป็นจะต้องปฏิบัติให้พอ ที่เขาเรียกว่าปัธรรมมนุธรรมะปฏิปติ ป, ฏ, ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่โลกุตระธรธรมนั้นการความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะเราต้องมาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจว่าทําอย่างไรความรู้ความเข้าใจเราจึงจะเพียงพอจากความเข้าใจความเข้าใจนี้อีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิใช่ไหมสัมมาทิฏฐิมีอะไรบ้างหนึ่ง ก, กรรมสกตาสัมมาทิฐิสองฌานสัมมาทิฐิสามวิปัสนาสัมมาทิฐิ การเจริญกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิก็คือศีลวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิก็คือวิปัสสนาฌานสัมมาทิฏฐิก็คือสมถะก็ศีลสมถะวิปัสสนาเพื่อมักสัมมาทิฏฐิเพื่อให้อริยมักขสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเมื่ออริยมักสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นผลผลสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นมันก็ที่สําคัญมากที่สุดก็คือความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการฟังแล้วทีนี้การฟังก็ฟังเพื่อความรู้ความ เข้าใจถ้าตั้งคําถามว่าการเรียนโดยเฉพาะเรียนปฏิสัมพัทธามัคที่เรากําลังเรียนอยู่นี้เรียนปัญญากถาเรียนเรื่องปัญญาเนี่ยนะเรียนเพื่ออบรมอินทรีย์ตัวไหนเป็นหลักเรียนเพื่อเจริญอินทรีย์ไหนฟังเพื่อบ่มอินทรีย์ตัวไหนฟังเพื่อบ่มปัญญอินทรีย์เนี่ยนะการฟังทำตามพระไตรปิฎกเนี่ยนะถ้าเราไม่คิดอะไรมากพยายามจับแต่ประเด็นอยู่ว่า ฟังเพื่อบ่มอินรีย์ฟังเพื่อเจริญอินซีย์เนี่ยนะจะช่วยให้เราเบาเวลาศึกษาได้อีกมากมานะฟังเพื่อเจริญอินรีย์ฟังเพื่อบ่มอินรีย์ต่างจากฟังเพื่อรักษาคัมภีร์ถ้าฟังเพื่อรักษาคัมภีร์เนี่ยนะใครจะขึ้นกันเกือบทุกคนเลยเพราะคมภีร์มันยากมันหนักเนะ่ะดูสิแบกเนะนะี่ยนะข้อมือไม่ดีเนะี่ยยกแล้วหแยแนะ่ คำพีมหนักมากแล้วก็เป็นภาษาพระพุทธเจ้าด้วยฮูฟังเพื่อรักษาคำภีนี่ยากแต่ฟังเพื่อเพิ่มอินทรีย์นี่ไม่ยากอันน้ฟังให้รู้ว่าเออเนี่ยคำสอนส่วนนี้ทั้งหมดพระองค์แสดงเพื่อให้เรามีศรัทธาเป็นคำสอนเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาเนี่ยนะเอ๊ะทำยังไงเนอยเราจะได้มีศรัทธาอย่างเนี้ย จะได้มีศรัทธาแบบนี้ศรัทธาของเราที่มันเล็กน้อยเนี่ยมันจะเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพเพิ่มมูลค่าเพิ่มราคาเพิ่มคุณค่ายิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นจากศรัทธาเล็กน้อยเป็นศรัทธาที่เกิดยาวเกิดต่อเนื่องเป็นศรัทธาที่เป็นอุปนิสัยแห่งมรรคผลวันเราฟังเพื่อส่งเสริมศรัทธาให้ศรัทธามีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่ได้ฟังเพื่อแบกคัมภีรนะ์ถ้าฟังเพื่อแบกคัมภีร์นี่ป่วยแน่นะตายคาคัมภีร์แน่ สอสงสารเลยนะสงสารตัวเองเลยต้องแบกคัมภีร์ใครไม่เคยแบกไม่รู้หรอกคนเคยแบกคำพี์เนี่ยจะรู้แบกไปแบกมาเลยทิ้งคัมภีร์เลยเถือ อ, อย่างอื่นก็ได้อ่านซื้อพิมพ์ดีกว่าะท่านผู้ที่เรียนเรียนธรรมะเนี่ยต้องศึกษาเพื่อเจริญอินทรีย์เรียนเพื่อรักษาเอ่อเพื่อเจริญวิริยอินทรีย์ตรงไหนคําสอนตัวใดตรงไหนฟังเพื่อให้เกิดความเพียรเราก็แยกออกว่าเออ คำสอนส่วนนี้เพื่อเสริมความเพียรนะคำสอนตรงนี้เพื่อส่งเสริมสติเพื่อให้มีสติแยกแยะอะไรเป็นอะไรได้เป็นคำสอนตรงนี้สอนเพื่อให้เกิดสมาธิท่านสอนให้จิตตั้งมั่นเพื่อความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตคำสอนตรงนี้เพื่อส่งเสริมปัญญาพันคารสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครสามารถรู้ได้ทุกแง่ทุกมุมรู้ได้โดยประการทั้งปวงหรอก เพราะเป็นพุทธวิสัยพุทธวิสัยเป็นอจินไตยทีนี้แต่ว่าโดยรวมๆสาระเราก็พอฟังออกว่าโอ้คำสอนตรงนี้ของพระพุทธเจ้าเพื่อเจริญศรัท ธ, ธาคำสอนตรงนี้เพื่อเจริญวิริยะคำสอนตรงนี้เพื่อเจริญสติคำสอนตรงนี้เพื่อเจริญสมาธิคำสอนตรงนี้เพื่อเจริญตัญญาแล้วกุศลธรรมเหล่านี้จะเจริญได้อย่างไรคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะสมัยพุทธกาลพระองค์เตือนอยู่เสมอว่า อย่าติดตามพระองค์เพื่อส่งคำพีอย่างนั้นเถอะภาษาหนึ่งก็เรียกว่าเพื่อสุตะคยะวยาการณะก็คืออยากฟังเพื่อสรงคัมภีร์ทําไมรู้ไหมเพราะมันหนักมาก เ, าเรียนแล้วก็หนักเรียนแล้วยิ่งเรียนยิ่งหนักโอ๊ยจบมาทุกคัมภีร์แต่ที่แน่ๆพร่องทางจิตใจะแห้งแล้งเต็มทีจิตใจก็แห้งแลง้งแต่ทํายังไงเรียนแล้วศรัท ธ, ธาจะได้เพิ่มขึ้นศรัท ธ, ธาจะได้เพิ่มขึ้น เคยพบเห็นมาหลายแห่งด้วยกันที่เคยไปอยู่ด้วยเรียนเพื่อส่งคัมภีร์ในที่สุดเนี่ยนะพระที่เรียนอย่างนั้นนะ่ะศึกเกือบหมดเลยมันพลาดทําไมจึงพลาดก็เรียนเพื่อรักษาคำพีไม่ให้เรียนเพื่อรักษาศรัทธาทุกคนกลัวคัำพีจะเสื่อมก็เลยรีบใหญ่เรียนใหญ่เลยเรียนน้ํารุ่งหามค่ำเรียนเอาเป็นเอาตายในที่สุดฟุ้งร้านศึกเกือบก็เยอะมากเยอะกว่าในห้องเรียนนี้ก็แล้วกันนะ อะไรพ่านเกิดอะไรขึ้นว่าโอ้เนี่ยเรียนไปเรียนมาเลยตัวเองเสื่อมจากพศาสนาคำพี์ก็อยู่ตามเดิมแต่ตัวเองนี่เสื่อมเรียบร้อยหมดแล้วเลยนะไ ม, ไม่กี่วันได้ข่าวว่าตายไปแล้วคนหนึ่งยังไ ง, ไ ง, ไงกันะก็บ้นเกิดอะไรขึ้นเออนี่ก็แสดงว่ามันมีความผิดพลาดเพราะไม่ได้เรียนเพื่อสั่งเสริมส่งเสริมศรัทธาพั้งคาสอนทั้งหมดเราเรียนเพื่อ ทำไฉนนอสัทธาที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดสัทธาที่เกิดแล้วจะได้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเรียนคําสอนเหล่านี้อย่างไรเนอความเพียรที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดความเพียรที่เกิดแล้วก็ได้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเรียนยังไงเนอสติที่ยังไม่เจริญจะได้เจริญขึ้นสติที่เจริญแล้วก็พอกพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปทําอย่างไรเนอใจที่ฟุ้งซ่านนี้จะได้เลิกฟุ้งซ่านใจที่ตั้งมั่นแล้วจะได้ตั้งมั่นยิ่งยิ่งขึ้นไป ทำอย่างไรเนอสิ่งที่เราไม่รู้จะได้มีความรู้สิ่งที่เรารู้จะได้เจริญเติบโตขึ้นไปทําอย่างไรน้อยอินทรีย์ทั้งห้าจะได้ประชมกันเพื่อการบรรลุมรรคผลเป็นต้นผู้ที่ศึกษาได้อย่างนี้ทําใจได้อย่างนี้จะอะไรจะสบายขนาดนี้แต่บางคนก็บอกเอ๊ะมันสบายไปมันต้องให้รู้สึกหนักหนักหน่อยจึงจะดีเออนานว่าไปนั่นอีกนะเพราะอะไรเพราะว่าชอบอารู้สึกถ้เครียดนิด น, ด น, ดนดจะดีบางท่านเถอะสบายสบายยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขทั้งหมดเออไม่ดีเท่าไหร่ ให้มันเครีย ด, ดนิดนิดอึดอัดหน่อยหน่อยอะไรแบบเพศแบบเนี้มีความสุขมากพวกนี้สาดิตเห็นไหมพวกอะไรนะพวกที่แบบ ท, ทุกขานิยมเนี่ยนะพวกนิยมทุกยินดีในทุกไม่ดีที่จริงการฟังธรรมนั้นการศึกษาพระธรรมนั้นจะต้องเป็นเป็นอย่างนั้นถ้าถ้าถ้าเราจับประเด็นถูกกับสาระเป็นค่อยๆเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มศรัทธาไปเพิ่มวิริยะไปเพิ่มสติไปเพิ่มสมาธิไปเพิ่มปัญญาไป แต่โดยเฉพาะในในในที่มูนิธิที่เรากําลังศึกษาอยู่เนี่ยจะไม่เปิดคำภีร์เดียวเพราะจะได้เรียนึกเพิ่มทุกๆอินซีนะจะได้เรียนเพื่อปรับอินทรียไม่ได้เรียนเพื่อรักษาคำภีร์เพราะคมพีร์เนี่ยนะก็บอกว่ามีผู้รักษาแล้ว น, นะกระดาษท่านช่วยรักษาเอาไว้แล้วคอมพิวเตอร์ก็รักษาอยู่ในซีดีซีดีลอมนั้นเราท่องสู้สู้ซีดีลอมไม่ได้หรอกแต่ว่าเราฟังเพื่อเอาบุญดีกว่า นะนะเรียนเพื่อเอาบุญไม่มีใครรักษาแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ได้เต็มที่หรอกฮันเราก็จับประเด็นให้ถูกหลายคนเนี่ยตื่นตัวมากโอ้จะช่วยกันรักษาคมภีร์ในที่สุดนะนะคนรักษาหายไปแล้วคมภีร์ยังอยู่ที่เดิมเลไอย่างเงี้ยก็ก็อย่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเสื่อมจากบุญกุศลเท่าไหร่ห่างไกลาจากาศาสนาเท่าไหร่พระพุทธเจ้าต้องการอะไรจากเราทั้งหลายกันแน่พระองค์ต้องการอะไรจากเรา เท่าที่ฟังคำสอนเรียนคำสอนแล้วพระองค์ต้องการอะไรพระองค์ต้องการให้เรามีศรัทธาพระองค์ต้องการให้เรามีวิริยะมีสติมีสมาธิและก็มีปัญญาเพราะสิ่งนั้นเป็นอริยสัพ์สิ่งนั้นเป็นอริยสัพ์สิ่งนั้นเป็นนิยานิกรธรรมที่จะนำให้เราออกจากทุกข์ถ้าเราเรียนแล้วเพิ่มคุณธรรมเหล่านี้แสดงว่าสาเร็จสมประสงค์ของพระพุทธเจ้าถ้าเราเรียนแล้วสิ่งเหล่านี้ลดลงไปแสดงว่า ไม่สมประสงค์ของพระพุทธเจ้าหรือเราแกล้งพระพุทธเจ้าไม่ให้พระพุทธเจ้าสมความปรารถนาของพระองค์หรอกใช่ไหมพระองค์ต้องการเราก็แกล้งพระองค์เลยนะคล้ายๆกับอะไรนะพ่อแม่ท่านหวังดีต่อเราท่านทำกับข้าวกับปลาเยอะเลยนะแกล้งพ่อแม่เลยไม่ยอมกินข้าวเลยอันั้นก็ผิดพลาดพันการศึกษาธรรมะไม่อยากคิดอย่า ง, งานั้นพราะทํำยังไงเนอเราจะเพิ่มพูนเอาว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าปรารถนาเราจะได้ เขาบอกทาให้พระพุทธเจ้าสมหวังหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าทําให้พระพุทธเจ้าไม่เดือดร้อนเพราะธรรมเทศนาไม่ลําบากด้วยธรรมเทศนาเพราะเราก็พยายามที่จะทําให้สมประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแสดงเพื่ออินทร์เนี่ยนะเขาเรียกว่าแสดงธรรมตามอัธยาศัยของเวนยศัตว์ทั้งหลายก็คือแสดงเพื่อให้อินทรีย์ทั้งหลายนั้น จเจริญเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นแหละถ้าจับใจความประเด็นอย่างนี้ได้การศึกษาพระธรรมไม่ไม่จะยากเท่าไหร่แต่ธรรมะเนี่ยเมื่อไหร่ก็เป็นของยากอยู่แล้วล่ะแต่เราคิดยังไงจะได้ไม่ยากถ้าทําให้ยากมันไม่ค่อยยากหรอกนะไทุกอย่างมันจะยากหมดเลยให้ยากนะที่โยมมาถึงที่นี่ได้นี่ก็ยากยากอธิบายก็เล่าเหรอให้โยมทุกคนนั่งเล่านะสามชั่วโมงผ่านไปไม่จบ เรตั้งแต่ช้ามาจนถึงตอนนี้นะแล้วทุกคนออกมาพูดคนละสิบนาทีเนี่ยนะหมดเวลาเลยให้ยากมันก็ยากอะไรมันก็ยากหมดแล้วเชื่ อ, อไงนะแต่อยู่วัดฏานี่อยู่ยากมากแต่ขนาดนั้นก็อยู่ได้นะเพราะนั้นอะไรทุกอย่างในโลกเนี่ยยากแต่ว่าเราจะทํำยังไงให้ให้เราเบาขึ้นให้สบายขึ้นมีความสุขมีความเจริญงอกงามในกุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทีนี้เรารู้แล้วว่าการฟังธรรมฟั ง, ฟงเพื่อบ่ม อินทรี่ห้าฟังเพื่อเจริญอินทรี่ห้าฟังเพื่อเจริญศ ร, รัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาคําสอนในพระไตรปิฎกนั้นเป็นคําสอนที่เพิ่มพูนอินทรีย์ทั้งห้านี่คนที่ศึกษาคําสอนเนี่ยนะได้เจริญอันหนึ่งต้องเยอะเลือกเลือกว่าช่วงนี้อินทรีย์ตัวใดเราพร่องเนี่ยนะต้องแยกต้องพยายามศึกษาหลายๆอย่างศึกษาหลายๆหลายอ่าหลายๆสูตรศึกษาหลายๆคำภีร์ เพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ว่าอินทร์ตอนนี้เราเป็นอย่างไรอะไรผู้ศึกษาธรรมะอันหนึ่งเนี่ยนะที่ที่น่าส่งเสริมคือศึกษาธรรมะตามอินทร์ของตัวเองอันนั้นหมายคำว่าช่วงนี้ทำไมศรัทธาเราอ่อนจังเลยทำไมเราไม่ผ่องใสเลยทำไมเศร้าหมองจังไม่มีความสุขเลยเท่าไหร่ก็ไปเรียนธรรมะเพื่อให้มีศรัทธา คำพีไหนหนอะคำสอนตรงไหนทําให้เรามีศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไปเลือกอ่านเลือกฟังคําสอนที่ใกล้ต่อศรัทธาอย่าไปฝืนไอ้ศรัทธาก็ไม่ค่อยจะมีไปเรียนแต่เรื่องยากๆอ่ะนะอันนั่นแหละเตรียมเลิกได้เลยนะเพราะว่าเกือบเลิอกอยู่แล้วล่ะเชื่อเคขาแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องรู้ว่าเออถ้าศรัทธาเราอ่อนต้องไปหาฟังคําสอนที่เกื้อกูลต่อศรัทธาคําสอนที่ยกย่องชมเ ช, ชยพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณเป็นต้นเนี่ยนะเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยใน มหานิเทศเอ่อเดี๋ยวศึกษาต่อตอไปเนี่ยปฏิสัมพิทธ์จะมีข้างหน้าว่าพระผู้เเจ้าสอนทำตามอัธยาศัยของสัตว์นั่นนะถ้าเขาศรัท ธ, ธาน้อยพระองค์ก็สอนเพื่อให้เขามีศรัท ธ, ธาถ้าเขามีศรัท ธ, ธาพระองค์อถ้าเขาศรัท ธ, ธาดีอยู่แล้วพระองค์ก็สอนเพื่อให้ศรัท ธ, ธายิ่งยิ่งขึ้นไป นะแสดงถึงความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เพื่อให้ศรัทธาของเขามั่นคงของเราเราสังเกตออกนะจริงๆถ้าเราเอาอินทรีย์ห้ามาปรับในสังเกตในชีวิตจริงว่าช่วงนี้อะไรเราอ่อนศรัทธาเราอ่อนใช่ไหมถ้าศรัทธาเราอ่อนก็ดูว่าคําสอนตรงไหนช่วยเพิ่มพูนศรัทธาศรัทธามากากับแบบอะไรนะ เชื่อเชื่อเชื่อเชื่ออย่างงี้เชื่อคนมีศรัทธาไหมเชื่อแล้วเชื่อแล้วนี่เรียกคนมีศรัทธาไหมไม่แน่นะอาจจะไม่มีศรัทธาเลยแม้แต่นิดเดียวก็ได้ไเพราะคนที่มีศรัทธาศรัทธาทั่วในครั้งหนึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าความเลื่อมใสแปล ว, ว่าความเลื่อมใสความผ่องใสเนี่ยนะเขาเรียกลักษณะ น, นั้นเป็นลนักษณะท้องศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ผ่องใสกลันตะกอนของใจทิ้งออกไปได้ ให้ใจเป็นไปกับกุศลนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมเนี่ยนะผ่องไสนั่นแหละนั่นแหละเรียกว่าลักษณะของคนมีศรัทธาแล้วคนมีความเพียรแหละรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เราเพียรมากหรือเพียร น, น้อยถ้าอากุศลมันกลุ่มรุมบ่อยๆเรียกว่าคนเกียดค้านจะขยันทั้งวันก็ทำเถอะทำอะไรก็ทั้งเถอะตัวเนี่ยขยับตัวได้ทั้งวันแต่ถ้าอากุศลเจริญกุศลลดนี่เรียกว่าคนเกียดคร้านอ่านถ้าทำมากฟังมาก พิจารณามากแต่อากุศลจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นก็แสดงว่าขี้เกียจไม่ใช่ขยันเพราะความความเพียรที่ถูกต้องเป็นความเพียรเพื่อชำระอกุศลเพียรเพื่อเจริญกุศลและคนที่มีสติมากเนี่ยนะจาเรื่องราวเหตุการณ์เล่าได้ทุกเรื่องเล่าทำไมถ้ามีสติที่ถูกต้องสติเพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมสติปัญญา สติปัฏฐานคืออะไรทวนนะกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานมันคนที่มีสติดีจริงอ่ะนะต้องไม่ลืมว่ารูปคือสุภาพเวทนาคือทุกจิตไม่เที่ยงทำเป็นอนัตตาเป็นต้นต้องไม่เผลอต้องไม่ไม่เผลอเรอเลยเนี่ยนะ